ทัศน ภ, ภูมิคือโสดาปฏิมักเป็นเหตุใกล้ของการอย่างลงสู่นิยามที่แน่นอนโสดาปฏิมักเนี่ยเชื่อว่าเป็นเหตุใกล้แห่งการแทงตลอดอริยสัจสัมมตนิยามเนี่ยแปลว่าความแน่นอนแน่นอนอันนี้โดยทั่วๆไปหมายถึงอริยมรรคนีความแน่นอนตัวนี้เนี่ยเรียกว่าสัมมตานิยามความแน่นอนชอะที่ถูกต้องไม่มีการผิดพลาด สารโซดาปฏิมรักเนี่ยไม่มีการผิดพลาดเลยแน่นอนจริงๆเลยภาวนาภูมิคือสกทาคามีมรักอนาคามีมรักและอรหัตมรักเนี่ยนะเป็นปร ะ, ะฐานของการบรรลุผลทั้งหลายที่สูงขึ้นไปเนี่ยนะเชื่อว่าเป็นเหตุใกล้แท่งสูงเช่นสกทาคามีมรักก็ให้ผลเป็นสกทาคามีผลอนาคามีมรักก็ให้ผลเป็นอนาคามีผลเพราะนนั้นผลไอตัวมรักเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้ได้รับ ผ ล, anza, ผลก็เป็นแม้กระทั่งมรรคเบื้องล่างก็เป็นถือว่าเป็นเหตุใกล้ให้ได้บรรลุมรรคผลชั้นสูงๆต่อไปถ้าไม่ได้โสดาปฏิผลแล้วสกทาคามีผลจักได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้สกทาคามีผลแล้วอนาคามีผลจักได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้อนาคามีผลในอรหัตผลจักเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นผลเบื้องล่างหรือแม้กระทั่งโสดาปฏิมรรคก็ถือว่าเป็นปัจจัยแก่ผลชั้นสูงชั้นสูงต่อไปนั มันก well, oh ็บอกว่าโสดาปฏิพันธก็เป็นอุปนิสัยแก่สก a าคามีผลสก a าคามีผลก็เป็นอุปนิสัยแก่อนาคามีผลนะนะพวกนี้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยแกการไปพันพวกอุปนิสัยปัจจัยนั่นแหละเรียกว่าเป็นประทัฐานประทัฐานเนี่ยบางอย่างเป็นสหชาตชาติบางอย่างเป็นอารมณชาติบางอย่างเป็นอนันตรชาติบางอย่างเป็นปัจตูปนิสยชาติเนี่ยนะคำว่าเหตุใกล้ตัวนี้นะ ก็ด้วยหลายปัจจัยด้วยกันอย่างเหตุใกล้ของมหาภูตรูปคืออะไรก็มหาภูตรูปอันนี้สหชาติปัจจัยใช่ไหมเหตุใกล้ของอะไรอุปาทาตรูปคืออะไรมหาภูตรูปใช่ไหมอันนี้ก็โดยสหชาติปัจจัยแล้วบางอย่างก็ในรูปแบบของอาหารปัจจัยรูปเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะอาหารเกิดนั้นก็ด้วยอาหารปัจจัยอันคำว่าเหตุใกล้ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเป็น คำที่จะต้องจำแนกอีกครั้งนั่นนะก็คำกว้างๆก็กเหตุใกล้นะแต่ว่ามาจำแนกไปก็เหตุใกล้ของอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้น่าสนใจมากครับคือคือถ้ า, าว่าเป็นประตูปัญญยปัจจัยหรืออุปนิสัยปัจจัยเนี่ยถือว่าเป็นเหตุไกลหรือใกล้ครับพวกนี้เรียกว่าเหตุใกล้หมดหรือเหตุไกลหมดเลรอครับคื อ, อคำว่าใกล้ไกลเนี่ยนะ บางทีเราก็เอาการมาจับแต่ทุกเรื่องที่ทําให้สิ่งนั้นเกิดเนี่ยก็เรียกว่าถือว่าเป็นเหตุใกล้หมดแต่ทีนี้ถ้าเราเอาการมาจับนะก็มองแบบใกล้และมองแบบไกลคือการใกล้กับการไกลยอย่างยกตัวอย่างว่าจากักรคูวิญญาณที่เกิดเนี่ยเหตุใกล้ของจกักรคูวิญญาณคืออะไรคือนามรูปจกักรคูภาษาท่ากับสีคือรูปารมณ์พวกนี้ถือว่าเป็นเหตุใกล้ แม้กระทั่งภาษะเวทนาสัญญาที่เกิดร่วมก็เป็นเหตุใกล้ถามว่าไกลกว่านั้นนะ่ะนะถ้าดูไกลก็กรรมกรรมเป็นตัดใจนะถ้าเรายกให้แต่กรรมไปหมดมันก็เลยทงไปใช่ไหมยกให้แต่ตาแต่สีอย่างเดียวก็ก็ไม่พอเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับกรรมด้วยถ้าอย่างนั้นภาษะเป็นปัจจัยกเวทนานี่นะถือว่าเป็นเหตุใกล้ถูกไหมครับอถือภาษะเป็นเหตุใกล้ของเวทนาครับ ตัว น, นี้ภาษะเป็นปัจจัยของตัณหานี่เหตุใกล้และเหตุไกลครับภาษะเป็นเหตุใกล้แห่งตัณหาเป็นเหตุของตัณหาภาษะทั่วๆไปเนี่ยจะไม่ค่อยกล่าวว่าเป็นเหตุของตัณหาถ้าโดยพยัญชนะนะแต่เวทนาเนี่ยถือเป็นเหตุใกล้ของตัณหาครับตัว น, นี้ในสายนี้เนี่ยในสายปฏิจจมุบานี้นะครับเรากล่าวได้เลยว่าภาษะเอ้าเป็นปัจจัยแก่ตัณหาแน่นอนถูกไหมครับ เพราะมันต้องแม้จะข้ามมาจากเวทนาแล้วมาสู่ปัญหานี่นะครับหรือจะตามลงไปถึงอุปาทานหรือภพนี่นะครับก็เหมือนกันจึงจึงกล่าวว่าเป็นเหตุใกล้หรือเหตุไกลผัสสะเป็นเหตุใกล้หรือเหตุไกลของภพก็โดยทั่วๆไปก็การการแสดงแนวนี้ก็ไม่ค่อยพบะน ะ, ะ ไ, มไม่ค่อยพบวิธีแสดงแนวนี้คือแต่ก็มีอย่างเช่นผัสสะเป็นเหตุใกล้ของสังขารคัน พราะภาษาเกิดสังขารขันจึงเกิดอันนั้นก็ภาษานั้นเป็นเหตุใกล้แห่กตันหาโดยปริยายอื่นแต่ถ้าแสดงแบบปริยายปฏิจจสัมบาทก็ก็จะแสดงไอ้ที่มันใกล้ชิดกันเลยแสดงแบบใกล้ชิดแต่ถ้าถ้าจะกล่าวโดยรวมๆนะอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผล ก, ก็แบ่งเป็นกลุ่มรวมๆกันอีกนั่นแหละ คือผมได้เอาปฏิจจสมุปบาทมาตึกดูแล้วจึงเห็นว่ากรรมทุกชนิดหรือว่าภพนี่นะครับหรืจะเลยไปถึงชาติก็ได้นะครับจะกล่าวว่าเพราะปัตเพราะผัสสะเกิดกรรมย่อมเกิดลึกกรรมเมื่อเกิดทุกครั้งย่อมมาจากผัสสะเนี่ยไม่น่าจะผิดเลยถูกไหมครับหรือว่ากรรมทุกครั้งที่ทำหรือว่าที่มี คำเกิดขึ้นนั้นเพราะว่าเวทนาก็แม่ไม่น่าจะผิดถูกไหมครับก็ไม่ผิดเนละก็ไม่ไม่ผิดอะไรแต่ทีนี้ว่าอย่างว่าเนะถ้าเราบัญญัติศั์บางอย่างขึ้นมามันลำบากอธิบายมันต้อง อ, อธิบายยาวนะทั้งทังที่โดยเนื้อหาไม่ผิดก็จริงแต่ว่ามันลำบากอธิบายมากมากอย่างเช่นเพราะภาษะเกิดชาติจึงเกิดอย่างงี้นะถามว่าผิดไหมไม่ผิด แต่ว่ามันต้องอธิบายยาวมากเลยคือคือเรื่องมันใคลเรื่องมันยาวแต่ถ้ากล่าวตามพุทธพจน์เลยนะตรงตรงตัวเนี่ยอันนี้เหตุใกล้จริงๆอย่างเวทนาเนี่ยมีผัสสะเป็นเหตุใกล้อันนี้ชัดเจนมากๆเลยถ้าไม่ผัสสะนะถ้าไม่มีผัสสะเวทนาจะไม่เกิดโดยประการทั้งปวงตัณหาเนี่ยมีเวทนาเป็นเหตุใกล้เช่นความชอบบงางอย่างเนี่ยเพราะทุกข์เป็นเหตุใกล้ ความชอบบางอย่างเพราะสุขเป็นเหตุใกล้ความชอบบางอย่างมีอุเบกขาเป็นเหตุใกล้แต่ทีนี้เวทนาเหล่านั้นมันปราศจากภาษาก็ไม่ได้อีกนั่นแหละแต่ว่าจะวาภาษะเป็นเหตุใกล้แห่งตันหามันก็ไม่ค่อยชัดเจนแบบเวทนาเป็นเหตุใกล้อย่างปัญหาเป็นเหตุใกล้แห่งภพอันนี้ชัดเพราะว่าวัตถุนั้นเนี่ยนะมีภาษาเวทนาจริงถ้าตันหามันไม่เอานะมันไม่ยอตะ ถ้แล้วแต่ตันหาถ้าตันหาชอบชอบมากยึดมากชอบน้อยยึดน้อยแล้วแต่ชอบทีนี้ความยึดเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่มันชัดมากๆเลยถ้าใครยึดอันไหนแล้วก็โอ้เอาจริงเอาจังกับสิ่งนั้นมากๆเลยนะกายกรรมวจีกรรมเนี่ยทุ่มเทกับสิ่งนั้นมากๆเลยก็อยู่ที่ความยึดถือเพะะั้นกรรมทั้งหลายเนี่ยทีนี้กรรมเนี่ยมันก็มาจากความยึดถือ ชาติทั้งหลายเนี่ยมีจักกรรมเป็นปัจจัยซึ่งการสาวโดยทั่วๆไปที่กล่าวถึงความชาัดเจนเนี่ยว่าผลที่มีในปัจจุบันเนี่ยมาจากปัจจัยที่ชัดเจนแต่วิบากที่จะมีต่อไปในอนาคตไม่สามารถชีช้ชัดได้สักเท่าไหร่พระองค์ก็เลยแสดงแต่เรียกว่าพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชรา ม, มรณะแสดงไว้กว้างๆอย่างนี้เลยโดยไม่ชีช้ชัดว่าเออจะต้องเป็นยังงั้นงยั ง, ง แบบแบบลักษณะเหมือนกับปัจจยุบรที่มีอยู่แล้วนี่นะคือถ้าการกล่าวปัจจัยเนี่ยนะพูดถึงปัจจัยนั้นต้องเพ่งไปที่ผลก่อนเพราะผู้ที่จะรู้ปัจจัยจริงก็ต้องรู้ผลเพราะมาถ้าพูดแบบปัจจยัยมันก็คำเป็นคำที่กว้างมากเลยใช่ไหมคำว่าปัจจัยนี่เป็นศัพท์ที่กว้างที่สุดนั้นพระพุทธเจ้าจึงประกาศวันนี้ทุกน่ะ น, น้อยครั้งนักที่จะขึ้นสมุ ท, ทยก่อนอนะ ก็แสดงผลก่อนแล้วสาวไปหาเหตุเนี่ยนะลักษณะนั้นการที่จาเนกทำนั้นเอาเอาสูตรมากล่าวก่อนเอาสูตรเอาปฏิปทาเอาผลมากล่าวที่ที่ที่เป็นตัววิพัตนะเป็นการจำเนกทั้งโดยสูตรโดยปฏิปทาโดยศีลแล้วก็แล้วก็ต้องใช้สูตรประเภทไหนใช้ปฏิปทาแบบไหนเป็นต้น ทีนี้พอพูดถึงธรรมเนี่ยนะมามาจำแนกตัวที่เป็นวิพัตธรรมะธรรมะก็แบ่งเป็นสองกลุม่มคือสาธารณะกับอาสาธารณะนี้สาธารณะก็ยังแบ่งออกเป็นสองคือโดยชื่อนามกับโดยวัตถุเนี่ยนะส่วนที่เป็นอาสาธารณะก็แบ่งเป็นสองคือโดยชื่อกับโดยวัตถุวัตถุคือบุคคลเนี่ยนะทีนี้พอมาขึ้นย่อหน้าพับก็แสดงโดยภูมิ โดยภูมิทีนี้การที่จำแนกโดยภูมินั้นเป็นการจำแนกภูมิด้วยประฐานเข้าไปด้วยจำแนกทั้งภูมิและประฐานควบคู่กันไปเพราะภูมิเนี่ยมันเป็นประฐานด้วยเพราะภูมิล่างๆเป็นประฐานของภูมิบนๆสูงๆขึ้นไปคือจริงๆนะว่าในตอนแรกท่านแบ่งให้เห็นสามกลุ่มเนี่ย ก, ก็เพื่อจะได้ชัดเจนว่ามีธรรมะมีภูมิและ ประธ า, านแต่วิธีอธิบายก็ต้องอธิบายให้มันเชื่อมกันซึ่งจริงๆเนื้อหาเนี่ยเชื่อมกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งไม่สามารถที่เรียกว่ามาแยกกันโดยเด็ดขาดได้แยกได้เฉพาะการแสดงเท่านั้นนะแยกโดยการแสดงแต่ไม่สามารถแยกโดยสภาวะธรรมเพราะพอแยกโดยการแสดงก็ต้องอธิบายให้สอดคล้องกับหลักสภาวะเช่นทัศนะอย่างไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุใกล้ของสัมมตนิยาม ภาวนาภูมิก็ต้องเป็นเหตุใกล้ของอริยผลอยู่แล้วอันนี้ก็ถือเป็โดยธรรมชาติทีนี้การอธิบายภูมิเฉยๆอธิบายว่าอย่างไงโสดาปฏิมักมันก็กลายไปเรียนโน่นแบบวิจัยาหาระไปทีนี้ต่อไปอีกนะว่าข้อปฏิบัติอันลำบากที่รู้ได้ช้าเป็นเหตุใกล้ของสมถะปฏิบัติลำบากด้วยรู้ช้าด้วยนะอันนี้เหตุใกล้ของสมถะเพราะอะไรเพราะ ผู้ที่เจริญสมถนะนัคือกลุ่มที่นิวรณกลุ่มรุมมากทั้นเวลาเจริญสมถะพวกนี้โอ้โหปฏิบัติลําบากราค่าจริตเจริญอสุภานี่ไม่ง่ายนะโทสะจริตเจริญเมตตานี่ก็ไม่ง่ายนะปฏิบัติลําบากกว่าอสุภาษสัญญาจะเกิดขึ้นก็ยากกว่าเมตตาก็จะเกิดขึ้นก็ยากท่านก็ปฏิบัติยากบรรลุ ก, ก็ายากอันนี้แหละเรียกว่าเหตใกล้ของสมถะ สมถะทุกอันนี่จเจริญยากหมดเลยนะถ้าจ ะ, จะเจริญให้เป็นจริงเป็นจังเลยนะเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแล้วจเจริญแล้วก็รู้จะรู้หมายของว่าบรรลุให้ได้ระดับชานี่ก็ช้ามากพวกที่ปฏิบัติสบายรู้เร็วก็คือวิปัสสนาเนี่ยแต่จริงๆนะถ้าเทียบแล้วก็ค่อนข้างสบายเนีจเจริญวิปัสสนาไอ้คาว่าสบายในที่นี้คื อ, อยังไง ไม่ค่อยลําบากสักเท่าไหร่นะแต่ขณะเดียวกันมันต้องคนมีความสุขอยู่แล้วนะคนเดือดร้อนอยู่แล้วก็ไม่สบายลนะกันกิเลสกลุ่มรุมนี่ก็ไม่สบายล่ะแต่ถ้าถามว่าถ้ากิเลสไม่กุ่มรุมอะไรเนี่ยนะจิตสงบนิวรณ์ไม่กุ่มรุมแล้วเจริญวิปัสนาเนี่ยโอ้นี้สบายมากเข้าใจอะไรก็ว่องไวรวดเร็วบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยการให้ทานเป็นเหตุใกล้เป็นเหตุใกล้ที่เป็นสาธารณะต่อการฟังธรรมนี่ ถามว่าทำไมจะเป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าเพราะเวลาให้ทานเนี่ยนะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าให้ทานกับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะทั่วไปท่านก็จะแสดงธรรมให้ฟังนะพอก่อนอนุโมทนาคถานะาฟังธรรมน้อยฟังธรรมก่อนสัมโมทนิยคถาก็เลยอนุโมทนาทานเป็นต้นนั้นการให้ทานเนี่ยถือว่าเป็นเหตุใกล้ที่จะได้ฟังธรรมบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยการรักษาศีลเป็นเหตุใกล้ ที่เป็นสาธารณะของจินตามยะปัญญาปัญญาในการใคร้ครวรธรรมะเนี่ยนะจินตามายะปัญญาก็คือปัญญาในการคิดธรรมะถามว่าทำไมศีลจึงเป็ดเหตุใกล้ท่านบอกว่าเพราะไม่วิปปติสารคนทู่ศีลเนี่ยส่วนทั่วไปโดยมากวิปปติสารไม่ไม่สบายใจใช่ไมเมื่อไม่สบายใจถามว่าจะเอาธรรมะมาคิดได้ยังไงนตอนที่หงุดหงิดตอนที่โทสะเกิดตอนที่นึกถึงก ผลของความทุศีลเป็นต้นเนี่ยนะนในขณะนั้นนั้นเนี่ยนึกแล้วก็ไม่สบายใจเลยทรานทุศีลเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุใกล้ที่จะทำให้คิดธรรมะได้คนที่คิดธรรมะนะถ้าทุศีลเนี่ยคิดยากมากแม้กระสังเกตดูนะถ้าเราจำธรรมะแม่นจำได้ดีได้คล่องแล้วละ่ะลองไปทะเลออาะกับใครมาดิแล้วก็ว่ามีโอกาสว่าเขามากที่สุดเลยนะเราเป็นฝ่ายชนะเพราะด่าเขานานที่สุดอย่างเงี้ยเสร็จแล้ว มานั่งเจริญกรรมฐานอย่างมีความสุขเลยไหมไม่ใช่หรอกเนี่ยนะนะยากมากมันนั่งเดือร้อนนะนะมันผู้ที่ศีลดีๆนะทำให้ตรึกธรรมะได้มากตรึกธรรมะได้คล่องตรึกธรรมะได้เก่งบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยการให้ทานเป็นเหตุใกล้ของการฟังธรรมและสุตตมยะปัญญาพอฟังธรรมแล้วก็สุตตมยะปัญญาก็ไม่ยากในชะ่ไหมก็ฟังก็ฟังอริยสัจเป็นต้นนั่นแหละ บุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยการรักษาศีลเป็นเหตุใกล้ของจินตามยะปัญญาและโยนิโสมนสิการศีลดีนะจึงจะโยนิโสมนสิการได้คล่องถ้าศีลไม่ดีก็ยากที่จะโยนิโสมนสิการได้อันผู้มีศีนี่แหละจึงจะโยนิโสมนสิการได้ดีหรือจินตามยะปัญญาบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยการเจริญภาวนาเป็นเหตุใกล้ แต่ฐานสาธารณะของภาวนามะยะปัญญาและสมัมมาทิฐิภาวนากุศลเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของภาวนามยปัญญาด้วยนะและก็สัมมาทิฐิสมัมมาทิฏฐิในที่นี้หมายถึงวิปัสนาสัมมาทิฐินั้นวิปัสนาสัมมาทิฐิก็มาจากสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะหรือมาจากพวกทั้งสมถะวิปัสนาสมถะวิปัสนาเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของ ภาวนามยะปัญญาและสัมมาทิฏฐิอันนี้หมายถึงว่ากุศลชั้นล่างๆเป็นเหตุใกล้แห่งกุศลชั้นสูงๆต่อไปกุศลชั้นล่างเป็นปัจจัยแก่กุศลชั้นบนการอยู่ในสถานที่อันเหมาะสมคือปฏิรูปประเทศเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ของความวิเวกและสมาธิอันน่ะสถานที่นี่สมคัญนะที่จะได้กายวิเวกจิตวิเวกเป็นต้นเนี่ยนะปฏิรูปประเทศนี้อย่าว่าไม่ดีนะ ประเทศที่เหมาะสมเนี่ยเกื้อกูลมากเลยนะที่จะได้กายวิเวกจิตวิเวกและอุปทิวิเวกถ้าได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ใช่ปฏิรูประเทศเนี่ยนะกายก็ไม่วิเวกนะปัญหาก็ชลมุนวุ่นวายไปหมดเรื่องก็มีแต่วุ่นวายจิตก็ฟุ้งซ่านไม่สงบเลยฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องสถานที่นี่สำคัญใครที่ศึกษาธรรมะเทียบเคียงในหลายๆสถานที่จะรู้ ใครที่จเจริญธรรมะตรึกธรรมะเนี่ยนะแล้วเปลี่ยนสถานที่บ่อยๆสังเกตหลายๆอย่างเนี่ยจะรู้ว่าอะไรเป็นส ป, ปายะไม่เป็นส ป, ปายะจะเห็นว่าสถานที่นี้สำคัญมากเนี่ยนะถ้าอย่างพระพิสูจน์ที่ผ่านอยู่หลายวัดมาแล้วไปจเจริญกรรมฐานมาหลายวัดศึกษาธรรมะในลหลายๆวัดจะรู้ว่าแต่ละแต่ละแห่งนี่ส ป, ปายะแค่ไหนเพราะบางแห่งนี่ไปแล้วมันคลุกคลีมากะนะจิตก็ไม่สงบคงซ่านมากนนะ คําว่าคลุกคลีในที่นี้ก็คือเกี่ยวข้องกันในไม่ไม่ใช่ธรรมะนะเกี่ยวข้องกันด้วยอากุศลเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่กุศ ล, ลวิตกไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอริยสัจมันก็จะทําให้ไม่วิเวกแล้วก็ฟุ้งซ่านในที่สุดกายวิเวกวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตวิเวกจากอากุศลผู้ที่จิตไม่วิเวกนี่ก็คือพวกที่ดำริหรือตึกไปด้วยอากุศลนี่แหละเรียกว่าจิตไม่วิเวกการที่ไปอยู่ในเงียบวัตถุประสงค์เนี่ย ไม่ใช่ไปอยู่แบบคนเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยนะไม่ใช่ไปอยู่แบบคนเลี้ยงปศุสัตว์ที่พูดแบบภาษาไทยเราไม่ใช่คนไปอยู่เลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเลี้ยงโครกระบืออะไรที่ไหนหรอกหมายถึงว่าไปอยู่เงียบเงียบแล้วจะได้ตึกธรรมะได้จะได้พิจรารณาริยสัตว์ได้วัตถุตัวสง์ตรงนั้นเป็นประมาณทําไมงั้นก็ขังเดี่ยวตัวเองอยู่ในห้องดูสิวิเวกเลย ม, มีใครมากวนเนี่ยนะติดตัดโทรศัพท์ตัดอะไรล็อกกุญแจเอาไว้ให้ล็อกให้ดีๆเลยนะแล้วจะวิเวกสมใจยอยากนะกายนะ จิตเนี่ยฟุ้งฟานมากเลยแหละนั้นก็วิเวกในที่นี้ก็หมายเอาสถานที่ที่ก่อให้อ่ไม่คลองคุกคลีคนอื่นมากและจะได้คิดกุศลได้เยอะๆได้เจริญคำสอนได้เยอะๆเนี่ยนะการควบหาสัตว์บุรุษคือผู้ที่สงบเนี่ยนะบุรุษผู้มีคุณธรรมเนี่ยเป็นเหตุใกล้ที่เป็นสาธารณะของการได้ความเลื่อมายอันไม่หวั่นไหว3ามอย่าง และส ม, มถะสงบจากความวุ่นวาย น, นะถ้าได้ครอบผู้ผู้เป็นศัตว์บรุษจริงๆอ่า น, นะความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรายนี้อั น, นี้ไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ไหมความมั่นคงในพระรัตนตรายเนี่ยอันนี้แน่นอนพร้งอาศัยการเกี่ยวข้องกับบุคคลแล้วก็ผู้ที่เป็นศัตว์บรุษนะเขาแก้ปัญหาเขาไม่ให้วุ่นวายหรอกอ น, นะถ้าศัตว์บรุษคิดปัญหานะมันนํามาซึ่งความวุ่นวายจนได้แต่ถ้าศัตว์บรุษเขาแก้ปัญหานะ พระัตศัทธาที่มีในพระตัตนตรัยก็มั่นคงความวุ่นวายก็ไม่มีอันนี้ั น, นสัตว์บุรุษนี้นำมาซึ่งความไม่วุ่นวายันเะเป็นเหตุใกล้ของความไม่วุ่นวายสมถะตรงนี้หมายว่าไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายทางกายแล้วก็ไม่วุ่นวายทางจิตเนี่ยนะการสละทิ้งอกุศลเป็นเหตุใกล้ของการพิจารณากุศลและสมาธินี ละทิ้งอกุศลในที่นี้หมายถึงปหานะปริญญานะีสละทิ้งอกุศลด้วยปหานะปริญญาเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของปฏิสังขานุปัสสนาการพิจารณากุศลตัวนั้นเป็นชื่อของปฏิสังขานุปัสสนาและก็สมาธิคืออริยมรรคนั้นอนุพูดอีกสำนวนหนึ่งก็คืออนุปัสสนา7เนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ของวิปัสสนาชั้นสูงต่อไปแล้วก็เป็นเหตุใกล้ของมรรคสมาธิอริยมรรค แล้วก็ถ้าเจริญระดับอนุปัสนาเห็นอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาเป็นต้นเป็นอย่างดีเนี่ยนะที่ระดับปหญญาปริญญาอย่างไ้แล้วปฏิสังขานุปัสนาหรือกลุ่มสังขารุเปขายัจนถึงอริยมรรคสมาธิก็ไม่ไม่ไม่เท่าไรเพราะว่าเหตุใกล้ชั้นล่างๆดีการตั้งตนไวโดยถูกต้องเป็นสาธารณของฮีรีและวิปัสนานะ อ, อัตตาสัมมาปณิที่เนี่ยนะสำคัญมากเลยนะที่จะทําให้เราละอายใจตัวเองเนี่ยนะละอายต่อทุจริตสาคัญมากๆเลยนะตั้งตนไว้โดยถูกต้องแล้วก็อัตตาสัมมาปณิที่เนี่ยสำคัญมากต่อการเจริญวิปัสสนาฮิรินะปกติก็เท่ากับบอกว่าศีล น, นั่นแหละอัตตสัมมาปณิที่เป็นเหตุใกล้แห่งศีลถ้าตั้งตนไว้ไม่ดีศีลไม่มีแน่นอนสมมุติถ้าวันนี้ไม่ตั้งใจจะรักษาอุโบสถนะ อุโบสถจะเกิดได้ไหมเห็นอาหารจะมีหิริไหมไม่ยากนะท่านตั้งตนไว้การสมาทานศีลเป็นต้นนะเออนี่ดีแล้วการตั้งตนไว้โดยถูกต้องก็เป็นเหตุใกล้อย่างดีต่อวิปัสสนาด้วยตั้งใจไวก่อนนะว่าจะต้องเห็นอ น, นิจจงทุกขังอนัตตาจะต้องพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเนี่ยตั้งจิตเอาไว้ก่อนนะมันจิตมันจริงอยงน้อมไปพิจารณาถ้าไม่ตั้งนะอดเลย แม้กระทั่งการกําหนดมหาพูดการเจริญมัฏเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมหาพูดทั้งนั้นเลยตั้งตนไว้ก่อนนะจึงจะมนสิการโดยความเป็นมหาพูดได้ถ้าไม่ตั้งจิตไว้ก่อนนะไม่ต้องมหาพูดหรอกโดนมหาพูดกัดไปตั้งนานแล้วกว่าจะรู้ตัวอีกครั้งหนึ่งโอ้ยเละเลยนะนี่มันก็ต้องสมาทานตั้งจิตเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยนะแล้วก็วิปัสสนาเกิดได้มันอยู่ที่การตั้งตนจริงๆนะถ้าตั้งไม่ดีนี่ก็ปัญญาไม่เกิดเนี่ย ถ้าไม่ตั้งความปรารถนามาเนี่ยยากนะสิกขาสามจะมีดังนั้นอัตตะสัมมาปณิที่เนี่ยเป็นเหตุใกล้ของสิกขาสามเลยอ้ถ้าตั้งต้นไว้ดีกุศลศีลก็เกิดถ้าตั้งต้นไว้ดีจะอบรมสมถาวิปัสสนาก็ได้อันนถ้าตั้งต้นไว้ดีเราจะต้องพิจารณาโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนาให้ได้ดงั้นการตั้งพิจตนให้ชอบเลยว่าจะต้องเห็นเนี่ยขันธ์ รูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกรูปเป็นอนัตตารูปหน้าเบื่อหน่ายจะต้องคลายกำหนัดในรูปจะต้องปฏิบัติเพื่อดับรูปจะต้องบริจาครูปให้ได้นะแล้วก็ถ้าตั้งตนเอาไวด้ดีๆเนี่ยเป็นไปได้นะอัตตะสัมมาปณิที่ตัณหามันอย่างที่กล่าวตอนแรก ว, ว่าไม่ค่อยกล้าตั้งตนไม่ิมันนะไม่กล้าตั้งความปรารถนาเพราะอัตตะสัมมาปณิที่แปลว่าการตั้งความปรารถนานะตั้งตนไม่โดยชอบคือตั้งจิตให้ตั้งใจ ปรารถนาโดยถูกต้องเหมือนอย่างว่าเราเดินทางออกจากบ้านเนี่ยนะโดยไม่ตั้งความปรารถนาอะไรสักอย่างเลยควรจะถึงไหนไก็แล้วไปเรื่อยๆใช่ไหมดูแต่ถนนโล่งๆเขาว่าถึงไหนเนาะเหยียบร้อยยี่สิบด้วยนะก็อะไรกันเนี่ยนะสักสามชั่วโมงก็พอนะดูป้ายอีกทีหนึ่งถึงไหนละ ตั้งอัตตาสัมมาปณิที่นี่สําคัญมากอ่า น, นี้จะไปไหว้พระเจดีนะนี่จะไปสนทนาธรรมนี่จะไปฟังธรรมอย่างที่ที่มาฟังธรรมตอนนี้นะถ้าไม่ตั้งอัตตสัมมาปณิที่นะี่ไม่รู้หลุดไปที่ไหนไม่ทราบนะใช่ไหมคิดว่าจะมาถึงตรงนี้ไหมโอ้มาตั้งหลายแยกหลายซอยมากนะักกว่าจะมาถึงที่ฟังธรรมเนี่ยนะก็นับว่าเนี่ยอัตตสัมมาปณิที่นี่สําคัญมากตั้งตนไว้โดยชอบสมถาวิปัสสนาก็เหมือนกันถ้าไม่ตั้งจิตเอาไว้ให้ดีจเจริญไม่ได้หรอกนะ จะรอเนี่ว่าจะต้องเห็นอะไรแล้วต้องคิดถึงมหาพูดให้ได้ก่อนน ะ, นะอันนี้อย่างหนึ่งนะหรือเห็นอะไรต้องนึ ก, กว่านี้ทุกขให้ได้นะเห็นอะไรต้องนี้อันนี้จังทุกขังอนาตาหรือเห็นนี้ต้องยาตะปริญญาต้องทําให้ได้ต้องเจริญให้ได้ถ้าตั้งอัตตะสัมมาปณิทิไว้อย่างนี้แต่สําคัญที่สุดนะศึกษาเรื่องนั้นให้ดีๆก่อนนั่นะแล้วตั้งอันนี้ไม่มีปัญหาตั้งก่อนแล้วศึกษาก็ได้ศึกษาก่อนแล้วตั้งก็ได้แต่ให้มาได้สักอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะ ตั้งไว้แล้วเจริญกันแล้วกันถ้าตั้งตนไว้โดยชอบอย่างนี้ก็จะสามารถสละทิ้งอกุศลได้นะอันนี้เป็นปหาณะปริญญาปหาณะปริญญาหรืออนุปัสนาเจก็ถือว่าเป็นเหตุใกล้ของปฏิสังขานุปัสนาเป็นเหตุใกล้ของมักคสมาทินีเนี่ยนะความเป็นผู้กล่าวทรรมด้วยดีเป็นเหตุใกล้ที่เป็นสาธารณของการปลูกกุศลและพระสมบัติ การกล่าวทำด้วยดีนะแสดงทำโดยชอบโดยถูกต้องเป็นเหตุใต้ของการปลูกกุศลท่านใช้คำว่าปลูกกุศลเนี่ยนะแสดงว่าปลูกทั้งเราด้วยปลูกเขาด้วยนะปลูกทั้งสองอย่างนะใครที่แสดงทำดีก็กล่าวทำดีก็คือกล่าวตามทำตามนินยัยตามคําสอนปลูกกุศลทั้งภายในและภายนอกก็พละสมาบัติก็หวังได้เพราะว่าสมัยพุ้จการเลยเขาฟังทำแนละบรรลุเนี่ยนะเขาหลังจากนั้นก็เข้าพละสมาบัติได้สบาย การกล่าวทำที่ดีจริงๆเนี่ยเป็นเหตุใกล้ที่สําคัญมากต่อการปลูกกุศลเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทานกุศลศีลกุศลสมาถากุศลวิปัสสนากุศลมัค ก, กุศลเป็นต้นเนี่ยก็เกิดจากการกล่าวรำถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่กล่าวทำจะมีผู้ให้ทานหรือจะมีผู้รักษาศีลหรือจกมีผู้อบรมสมถ า, าวิปัสสนาหรือจกมีผู้เจริญอริยมรรคบรรลุมรรคผลหรือไม่ มันก็ไม่มีเมื่อไม่มีกุศลเหล่านั้นพละสมบัติก็เกิดไม่ได้ังนั้นการกล่าวทมดีของพระพุทธเจ้าการแสดงธรรมอย่างดีอย่างถูกต้องของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเหตุใกล้ต่อการปลูกกุศลและได้สามัญญผลทั้งหลายความปฏิบัติดีของสง์เป็นประทัดฐานที่เป็นสาธารณะของการยอมรับว่าดีแห่งสงหมายคำว่าถ้าสงปฏิบัติดีกันหมดเนี่ยนะ สงทั้งหมดก็จะยอมรับกันว่าเออความปฏิบัติดีของสงออนะยอมรับว่าสงนี่ดีนะสุปฏิปันโนปฏิบัติดีจริงๆออนะเน่ยอุโ ช, ออชปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายาปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแ ก, ก, รกร่การกราบการไหวการลุกรับเป็นต้นเนี่ยนะเขตรงไม่ใช่นี่ฉันตรงต่อตัวเองนะตอนนี้ฉันกําลังโกรธอันนี้ตรงไหมเรา ตรงตรงไหนอันนี้โคดอยู่นะกำลังคดมากๆเลยแหละฉันกําลังโกรธนะแกจงรู้ไว้เดี๋ยวฉันจะตรงต่อตัวเองด้วยการด่าแกนเนี่ยนะไอ้อย่างนี้นี่คดมากมากขึ้นนะไม่ใช่ดั้นคําว่าตรงในที่นี้หมายถึงว่าไม่คดทางกายวาจาและใจเนี่ยนะซื่อตรงทางกายวาจาและใจตรงทางกายด้วยกายสุจจริตสามตรงทางวาจาด้วยวจีสุจจริตสี่ตรงทางใจด้วยอนัพิชาอัพยาบาศและสัมมาทิฏฐ อานาพิชากับอัพพยาบาทเนี่ยนะเนคธรรมะคืออานาพิชาอัพพยาบาทก็คือเมตตาหรือพรหมิหารสัมมาทิฏฐิก็ไล่ตั้งแต่กรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นความตรงงั้นคำว่าตรงในที่นี้หมายถึงความไม่คดไม่คดหมายถึงกายสุจจริตวจีสุจริตและเป็นมโนสุจริตเนี่ยนะก็เขามีถ้าเป็นอย่างสมมติว่า อย่างพระวินัยเนี่ยนะก็แบ่งเป็นสกลุ่มเนี่ยนะเขาเรียกว่ายายามะตาลิกยาวะกาลิกยาวชีวิกสัตหาการลิกเนี่ยเขาจะแบ่งกลุ่มที่ฉันเนี่ยเป็นสประเภทบางอย่างบริโภคได้เช้าถึงเที่ยงเช่นอาหารทั้งหลายอาหารถ้ากลุ่มอาหารเนี่ยบริโภคได้เช้าถึงเที่ยงถ้ามันเป็นอาหารนะ 2. ถ้าเป็นบางอย่างบริโภคได้ก่อนสว่างเช่นน้ำปะนะกลุ่มน้ำปะน ะ, ะบางอย่างบริโภคได้เจวันเช่นเนยสายเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเนี่ยเนี่ยฉันภายในเจวันถ้ารับประเคนครั้งหนึ่งเนี่ยฉันภายในเจวันบางอย่างก็ฉันได้ตลอดชีวิตเช่นยารักษาโรคเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนี้ก็ยังว่าว่าก็แบ่งว่าวัตถุน้าเนี่ย เป็นวัตถุที่บริโภคได้ในส่วนไหนเป็นต้ น, นกลุ่มแรกไม่เกินเที่ยงกลุ่มที่สองไม่เกินสว่างกลุ่มที่สามไม่เกินเจ็ดวันกลุ่มที่สี่จนกว่านั้นมันจะหมดอายุของนั้นหมดอายุกับผู้บริโภคตายก็แบ่งเป็นสองอย่างเขาก็แบ่งว่าอะไรที่เช้าถึงเที่ยงคืออาหารทั้งหลายะนะเช้าถึงเที่ยงเนี่ยอาหารกลุ่มที่ตอนบ่ายก็คือพวก คยเมือก่อนสว่างเรียก น, น้ำปานะน้ำผลไม้เนี่ยนะน้ผลไม้ตามที่พระองค์อนุญาตส่วนที่ภายในเจวันก็คือเนยเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยอะนะแล้วก็ก่อนถึงว่าถึงเรียกว่าบริโภคจนกว่าอันนั้นจะหมดอายุกับตัวผู้บริโภคตายเนี่ยนะก็คือพวกยายาที่เป็นเกรียว่ายาววชีวิกเนี่ยนะ ยาวชีวิตก็คือพวกเช่นพาราเซตามอนเนี่ยนะจนกว่าตัวยามันจะหมดอายุจนกว่าผู้ฉันจะตายงนั้นนะแต่ก็ฉันก็ตามหลักของเขาอะนะตามหลักเกณ์ของการบริโภคยาความถึงพร้อมแห่งพระศาสดาเป็นเหตุใกล้ที่เป็นสาธารณะของความเลื่อมใสแห่งชนที่ยังไม่เลื่อมใสและของความเจริญยิ่งแห่งชนผู้เลื่อมใสแล้ว คือพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันเป็นเปี่ยมบริบูรณ์อย่างนี้เนี่ยนะใครที่ยังไม่เลื่อมสได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เลื่อมสใช่ไหมผู้ที่เล SO ื่อมใสถ้ารู้คุณของพระองค์ก็จะยิ่งเลื yes ่อมสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความถึงพร้อมของภาษาสดาเนี่ยนำมาเส้นความเลื่อมสายแห่งชนที่ยังไม่เลื่อมสายและความเจริญยิ่งของชนที่เลื่อมใสายแล้วก็จริงนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครรู้คุณของพระองค์ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสก็เลื่อมใส ผู้ที่รู้คุณอยู่แล้วถ้ารู้คุณยิ่งขึ้นก็มีแต่ใจเลื่อมสายยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแต่ก็มีอยู่น้อยน ะ, ะนะที่ทําตัวเสมอด้วยพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็เลิกนับถือพระพุทธเจ้าในที่สุดมีอยู่คนเดียวเออขอไปสองคนสุนัขตะลิชวีบุตรกับพระเทวทัตแต่พระเทวทัตในที่สุดก็กลับมาเลื่อมสายอีกแต่ว่าสุนัขตะลิชวีบุตรเนี่ยนะตามมหาสีหนาสูตรดูเหมือนว่าแกจะไปนรกเนี่ย พระเทวทัตก็ไปนรกคือกลุ่มเนี่ยยกตนเทียมพระพุทธเจ้าคือไม่ได้คิดว่าโอ้โหผู้ที่ดีขนาดนี้คือผู้ที่เราควรเคารพไม่ได้คิดว่าเออพระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์เราก็กษัตริย์อันนี้ก็ลักษณะมาเปรียบยกตนเทียมพระพุทธเจ้าก็เลยเสียหายมากแต่ว่าโดยรวมๆแล้วคนอื่นเขาก็มีแต่จะเลื่อมสแล้วก็เลื่อมใสายยิ่งๆขึ้นไปเท่านั้นเองเนี่ ย, เ, ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ดีเลิศประเสริฐไม่มีผู้ใดที่จะดีเลิศ กว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะพันท่าใครรู้คุณก็จะเลื่อมใสายรู้คุณยิ่งเลื่อมใสายแล้วก็รู้คุณมากขึ้นก็เลื่อมใสายยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเชื่อเถอะศึกษาพระธรรมนะความเลื่อมสแต่ละปีของเราไม่เท่าเดิมถ้าเท่าเดิมเนี่ยสงสัยเสียหายมากเลยว่าทำไ ม, ไมเท่าเดิมน น, นมันต้องเพิ่มสินะจิงจะถูกมันต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นจนกว่าอาจาระศรัทธาศรัทธาของพระโสดาบันก็ไม่ได้เท่าพระสกทาคามี ศรัทธาของพระสะกท า, าคามีก็ไม่ถึงผ่านนาคามีไล่ไปจนถึงบอกว่าศรัทธาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพระพุทธเจ้าด้วยกันสูงที่สุดนะพระพุทธเจ้าจึงจะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าได้อย่างบริบูรณ์นนะความไม่ล่วงละเมิดปาติโมกเป็นเหตุใกล้ทั่วไปของการข่มบุคคลผู้ไม่มีศีลสิขานะใครที่จะตาหนิคนที่ไม่มีอธิสินเนี่ยนะตัวเองก็ต้องอยู่ในปาติโมก ไม่ละเมิดปาติโมกตั้งมั่นอยู่ในศีลเพราะการไม่ล่วงละเมิดปาติโมกเนี่ยทำให้รู้จักข่ผมผู้ไม่มีศีลได้อย่างว่าคนสอนก็ไม่มีศีลคนที่ถูกสอนก็ไม่มีศีลไม่รู้ว่อะไรมาข่มอะไรกันนั่นพันธการไม่ล่วงละเมิดปาติโมกนั้นจึงเป็นเหตุใกล้ของการอยู่ผาสุขของผู้มีศีลและสิกขาอันเป็นที่รักหรือเป็นผู้รักศีลและศิชาแต่ถ้าทุกคนมีศีลเหมือนกันหมดถ้าพระพิสุทธิ์ทุกรูปมีศีลเหมือนกันหมด พระพิสูุทุกรูปจะมีความสุขหมดเลยเพราะว่าทุกคนก็มีศีลคนที่มีศีลก็หน้าเคารพก็จะคิดถึงกันด้วยความเคารพพูดถึงกันด้วยความเคารพต่างฝ่ายก็ต่างเคารพซึ่งกันและกันท่านการไม่ละเมิดปาติโมกเป็นเหตุป้ายของอข่มผู้ไม่มีศีลและผู้มีศีลก็จะอยู่อย่างผาสุกปาติโมกขังวรนกับศีลและสังวรนนี่อันเดียวกันญาณนะสังวรนนี่แบ่งเป็นสองกลม กลุ่มที่ยาณสังวรคือการปัจเจเวปัจใจสี่กับการเจริญวิปั ส, สนาเป็นต้นเ น, เนี่ยพวกนี้ก็เป็นยาณสังวรใช่วิริยะก็การมุ่งกาจัดอกุศลวิตก น, น, นั้นธรรมะเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นประทัย ฐ, ฐานของกันและกันเน่ยนะใครอยากดูว่ากุศลที่ตัวเองต้องการเนี่ยคืออะไรก็มาดูปฐฐนนััยฐานนะ ทั้งหมดทั้ง17บนิยะเนี่ยนะสิประทัดฐานเหล่านี้ก็น่าน่าเป็นเอาไว้คิดหน่อยนะอย่างข้อแรกเลยทัศนภูมิใช่ไหมโสดาปฏิมักเป็นประทัดฐานของการยังลงสู่ส ม, มัตินิยามสองภาวนาภูมิก็เป็นเหตุใกล้ของผลชั้นสูง 3. การปฏิบัติลำบากรู้ชา้าเป็นเหตุใกล้ของสมถะสก็การปฏิบัติสบายรู้เร็วเป็นเหตุใกล้ของวิปัสนา นะถ้าฟังไม่ดีก็เลยอยากได้เร็วๆเลยนะหบุญกิยาว่าทานเป็นเหตุใกล้ของการฟังธรรม6ศีลเป็นเหตุใกล้ของจินตามยะปัญญา7ก็ทานเป็นเหตุใกล้ของการฟังธรรมและก็สุตตามมยะปัญญา8ศีลเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ของจินตามยะปัญญาและโยนิโสมนัสิการ 9. ภาวนา9ภาวนาเป็นเหตุใกล้ของภาวนามยะปัญญาและสัมมาทิฏฐิการอยู่ในสิบ อยู่ในปฏิรูปประเทศเป็นเหตุใกล้ของวิเวกและสมาธิ11การคบสักบรุษนี่นะเป็นเหตุใกล้ของความไม่เลื่อมายไม่หวั่นไหวกะและสมถะ12ก็อัตตะสัมมาปณิทีเป็นเหตุใกล้ของฮิริโอตตาปะฮิริโอตตปะหรือวิปัสนา13การสละทิ้งอกุศลด้วยปหานะปริญญาเป็นเหตุใกล้ของ การพิจารณากุศลคือปฏิสังขานุปัสสนาสมาธิสีคือมรรคสมาธิ14ความเป็นผู้กล่าวทำด้วยดีเป็นเหตุใกล้ของการปลูกกุศลและพละสมาบัติ15ความปฏิบัติ ด, ดีของสง์เป็นเหตุใกล้ของการยอมรับว่าดีแห่งสงสิบหความถึงพร้อมแห่งศาสดาเป็นเหตุใกล้ของความเลื่อมใสแห่งชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและของความเจริญยิ่งแห่งชนผู้เลื่อมใสแล้ว17ความไม่ล่วงละเมิด ปาติโมกเป็นเหตุใกล้ของการข่มผู้เกอ้อยากข่มผู้ไม่มีศีลแล้วก็อยู่ผาสุก ข, ของผู้มีศีลอันเป็นที่รักการที่สามารถพิจารณาธรรมภูมิและก็ปัฐานคือเหตุใกล้ของธรรมที่กล่าวมาแล้วสามารถเอามาจาแนกแยกแยะได้นนี่แหละเรียกว่าวิพัติหาระอันวิพัติหาระก็จบลงแต่เพียงเท่านี้